ทุกเช้าเราก็สวดมนต์เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระตนไตรยัยพิจารณาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าเราน้อมตามนเนจิตใจเราก็อบอุ่นมั่นคงช่ำชื่นเพราะสิ่งที่เราน้อมนำมาเป็น สารณะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ช่วยทำให้เรามีจิตใจมั่นคงไม่ร้อนรุ่มอบอุ่นจากนั้นก็พิจารณาความจริงของชีวิตก็คือเรื่องของทุกข์ ก่อนที่จะไปทำความตั้งมั่นว่าจะทำที่สุดแห่งกองทุกนี้ให้หมดสิน้นโดยอาศัยพรหมจันทร์พรหมจันทร์นี้มีความหมายหลายอย่างถ้าพูดรวมๆก็คือชีวิตอันประเสริฐอาจาตีความหมายแคบๆก็หมายถึงการไม่ มีชีวิตคู่หรือว่าการไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศอันนั้นก็เป็นพระมจรรย์ในความหมายที่แคบเท่าความหมายที่กว้างก็คือชีวิตที่ประเสริฐและประเสริฐนี่ประเสริฐได้ได้หลายระดับระดับที่ คือว่าเป็นเป็นอุ ด, ดมหรือว่าสูงสุดก็คือการถือเพศอย่างบปนประชิตนะโดยมีศีลโดยมีวิญัยนะเป็นเครื่องกากับแต่ก็อย่าไปคิดว่าจะหมายความเฉพาะพระ จะเป็นพิกษุนิกษุนี้ก็แล้วแต่เท่านั้นแม้แต่คราวาดก็เลือหัดถือศีลสิบศีลแปดศีล5้าก็ยังถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์นี่มีความหมายกว้างนะมีตั้งแต่สูงมาจนต่ำหรือว่าเป็นระดับพื้นๆก็ได้ ตอนนี้อยากจะให้เราลองมาพิจารณาส่วนที่เราได้สาธยายเกี่ยวกับความจริงของชีวิตและความจริงของชีวิตข้อแรกในอริยสัจสี่ก็คือทุกข์นะเราก็ได้สาธยายมาแล้วว่า แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ทุกนี้ทำไมเราต้องพิจารณาตั้งแต่เช้าเลยก็เพราะว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักในอริยสัจข้อแรกทุกเนี่ยเราต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับความทุกข์ให้อย่างถูกต้อง อริยสัตว์แต่ละข้อแต่ละข้อนี้ต้องเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกคือสิ่งที่ต้องรู้สมุทัยคือสิ่งที่ต้องละนิโรธก็คือสิ่งที่ต้องทำให้แจง้งคือทำให้เกิดขึ้นหรือว่าต้องเข้าถึงไตรลักษณ์นี่ก็คือสิ่งที่ต้องทำให้มีมาก แต่ละข้อแต่ละข้อนี่ไม่เหมือนกันทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะแต่ถ้าจะลา ก, ก็ต้องเป็นลาที่สมุทยทำไมทุกถึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะก็เพราะถ้าเราไม่รู้ทุกเราก็พ้นทุก์ไม่ได้เราไม่รู้ทุกเราก็ไม่รู้ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร รู้ทุกข์ก็สามารถจะสาไปถึงสมุทัยได้อาจารย์กำพลซึ่งเป็นผู้พิการมาตั้งแต่อายุ24บแล้วก็ประสบกับความทุกข์มาเป็นระยะเวลาหลายปีทุกกายทุกใจ แต่สุดท้ายก็เหลือแต่ทุกข์ทางกายนะแต่ว่าทุกข์ทางใจไม่มารบกวนอาจารย์กำพลเคยพูดว่าเนี่ยต้องขอบคุณความทุกข์เพราะว่าทำให้รู้จักทุกข์แล้วก็สามารถเจาะจากทุกข์ได้นะอะไรก็ตามเราจะ เป็นอิสระจากมันได้ก็ต้องรู้จักมันไม่ใช่หนีนะอะไรก็ตามถ้าเราหนีมันตลอดเวลาเราจะไม่มีทางหนีพ้นเตยเพราะที่เป็นเรื่องของความจริงไม่มีทางหนีจนกว่าจะเผชิญหน้ากับมันแล้วก็รู้จักมันเข้าใจมันจะเป็นความแกจะเป็นความเจ็บหรือความตายก็ตามสิ่งที่เราหนี จะไม่มีวันหนีพ้นสิ่งที่เราปฏิเสธจะคอยมาหลอกหลอนเรามีคนเขาทดลองเอาพวกที่เป็นอาสาสมัครให้มันนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็บอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะแต่อย่าคิดถึง หมีตัวใหญ่ๆนะคิดอะไรก็ได้แต่อยากคิดถึงหมีตัวใหญ่ๆนะถ้าใครคิดถึงหมีตัวใหญ่ๆ ใ, ให้สั่นกระดิง่งบอกว่าคนสั่งนี่ไม่ทันจะออกจากห้องเลยเสียงกระดิ่งก็ดังแล้วทำไมเพราะว่าพอเราถูกสั่งให้ไม่คิดสุกสั่งให้ห้ามคิด มันก็จะคิดถึงสิ่งนั้นแหละอะไรก็ตามที่เราพยายามปฏิเสธมันมันยิ่งโผล่มันยิ่งผุดนะสั่งไม่ให้คิดถึงหมีเดี๋ยวมันก็จะคิดขึ้นมาเองโดยไม่ตั้งใจเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราไปกดมันเอาไว้มันจะไม่หายมันกลับยิ่งโผล่ อะไรที่เราหนีมันกลับยิ่งไล่ตามหลอกหลอนให้ความทุกข์ก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิเสธแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้นี่รู้อย่างไรรู้อย่างแรกก็คือรู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความโศกความร่ําไรลําพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลาดไปจากสิ่งเป็นที่รักความปรารถนาสิ่งไดไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้เราก็คงจําได้เราต้องรู้นะว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรแต่ทุกอย่างที่เราที่ได้พูดมาเมื่อกี้นี้มันเป็นทุก์แบบจำํำ เรียกว่ารู้จำหรือว่านึกเอาด้วยสมองนะรู้ทุกอย่างนี้ยังไม่พอต้องรู้ด้วยความรู้สึกด้วยโดยเพราะเวลามันเกิดขึ้นเวลาทุกเกิดกับเราเราไม่ค่อยรู้ว่านะเวลาโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธเวลา โมโหก็ไม่รู้ว่าโมโหเวลาเครียดก็ไม่รู้ว่าเครียดบางคนนี่พอเครียดขึ้นมาแล้วก็ถูกเพื่อนทักว่ า, เ, าเธอเครียดแล้วนะนะก็ปฏิเสธว่าฉันไม่เครียดนะเพื่อนก็ทักอีกว่าเครียดเขาก็ปฏิเสธว่าฉันไม่เครียด บอกเรื่องเงว่าไม่เครียดไม่เครียดนะหรือบางทีมีโกรธอยู่เพื่อนก็ทักว่าเธอโกรธก็ปฏิเสธว่าฉันไม่โกรธเพื่อนก็ยืนยันว่าเธอโกรธฉันไม่โกรธบอกไม่โกรธบอกเรื่องเงไม่โกรธนี่พูดไม่ได้ยินยังไงว่าไม่โกรธทั้งๆที่บอกว่าไม่โกรธแต่ว่าอารมณ์ที่มันแสดงออกนี่มันก็โกรธอยู่แล้วล่ะก็แสดงถึงความเครียดอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่เครียดใครๆก็เห็นว่าโกรธใครๆก็เห็นว่าเครียดน้ำเสียงที่พูดออกมาก็โกรธก็เครียดแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ใช่นี่ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองโกรธอันนี้ก็เรียกไม่รู้ทุกข์เหมือนกันนะไม่รู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจทั้งๆที่มันเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ยังเถียงยังปากแข็ง อันนี้เราไม่รู้ทุกข์แต่ว่าเข้าไปเป็นสละนะอย่างที่หลวงพ่อคาเขียนว่าคนส่วนใหญ่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ว่าเข้าไปเป็นสละแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์นั้นนั่นนี่คือสิ่งที่เราควรทำเป็นอย่างแรกเมื่อรู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วอย่ารู้แต่ทุกข์ อย่ารู้แต่เพียงรู้จำนะให้ให้รู้ด้วยความรู้สึกรู้สึกในที่นี้หมายถึงมีความรู้ตัวรู้ทุกทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นอย่าเข้าไปเป็นนะตรงนี้ไม่ใช่ว่าธรมได้ง่ายๆคนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ทุกตรงนี้จังทั้งที่อยู่กับมันแต่ไม่รู้ไม่เห็น เหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ํานอนไม่เห็นอาจมตอนนั้นที่ก็อยู่กับฟ้าอยู่กับน้ําอยู่กับอาจมแต่ว่านกก็ไม่เห็นปลาไม่เห็นนะนอนก็ไม่เห็นเหมือนกันเราต้องรู้ทุกทันทีที่มันเกิดขึ้นว่าถ้ารู้ทุกตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะก็จะหลุดออกมาได้ รู้ทุกที่ลึกไปกันนั้นก็รู้ก็คือรู้ว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกมันเป็นรูปมันเป็นนามที่ทุกหรือพูดให้มันเต็มย่นหน่อยก็คือว่ามันคือขันที่ทุกไม่ใช่เราทุกก็หมายความว่ารู้ว่าทุกเกิดขึ้นกับขันรู้ว่าทุกเกิดขึ้นกับรูปกับนามไม่ใช่เกิดกับเรา คนส่วนใหญ่พอความทุกข์เกิดขึ้นก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์นะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นยังไม่เรียกว่ารู้ทุกข์เพราะถ้ารู้ทุกข์จริงๆก็คือรู้ว่าที่ทุกข์นั้นคือรูปหรือนามที่ทุกข์คือกายหรือใจที่ทุกข์นะ ไม่ใช่เราทุกข์เพราะมันไม่มีมันไม่มีเราที่ทุกข์มันมีแต่รูปกับนามกายกับใจหรือว่าขันธ์ห้าเท่านั้นเองขันธ์ห้านี้ก็เป็นการจําแนกอย่างละเอียดนะถ้าจําแนกแบบย่อยๆก็มีแค่สองคือรูปกับนามกายกับใจเนะี่ต้องรู้อย่างนี้ด้วยอันาไมปฏิบัติเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะ และรู้ลึกไปกว่า น, นั้นนะก็คือรู้ว่าทุกนี่มันเกิดกับทุกสิ่งทุกสิ่งเรียกว่าสังขารนั่นเองไล้วนแต่ทุกทั้งนั้ น, นอันนี้ต้องรู้ด้วยวิปัสสนาญาณ น, นะต้องรู้ด้วย ปัญญาขั้นสูงเพราะว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะทให้ละความยึดติดถือมั่นได้ทีย่ยังยึดติดถือมัน่นก็เพราะคิดว่ามันจะให้ความสุขแก่เราได้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งนอกตัวทนั้นแต่ว่าแม้แต่กายและใจ <Yeah. S 1> ก็ยังคิดว่ามันจะให้ความสุขแก่เราได้แม้กายนี้จะเจ็บจะป่วยแต่บางครั้งบางคราวมันก็ให้ความสุข พอมันไม่ไมไมเจ็บไม่ป่วยมันก็เป็นความสุขเป็นต้นใจนี้พอมันสงบมันก็ให้ความสุขแก่เราก็เลยยังยึดมันไว้อยู่แต่พอเห็น ช, ชัดว่ามันทุกทั้งนั้นก็วางเลยเหมือนกับรู้ว่าน้ําที่เราดื่มเนี่ยมันเป็นพิษแม้มันจะสีสวยแต่มันเป็นพิษก็วางเลยไม่ดื่มแล้ว ของที่เราถืออยู่ในมือนี่มันจริงๆมันร้อนมันเป็นระเบิดระเบิดเวลาแม้ว่าดูมันสวยงามแต่มันเป็นระเบิดเวลาก็วางเลยแต่ไม่ได้วางเพราะกลัวเพียงแต่ว่าไม่ไม่ไม่อยากจะถือเอาไว้แล้วเหนื่อยนายอันนี้คือการรู้ทุกข์ที่ลึกซึ้งมากพอทะลรู้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ละวางได้ทันที แต่ถึงจะไม่เห็นหรือไม่รู้ทุกอย่างนั้นเพียงแค่รู้ว่าทุกเกิดขึ้นรู้ทุกทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้เยอะอันนี้ต้องใช้สตินะต้องใช้สติถึงจะรู้ได้โกรธก็รู้ว่าโกรธนี่ก็ถือต้องมีสติแต่รู้ทุกขั้นต่อมารู้ว่าทุกเกิดขึ้นกับสังขาร ทุกเกิดขึ้นกับขันทั้งห้าทุกเกิดขึ้นกับการละใจไม่ได้เกิดกับเราไม่ใช่เราทุกแต่เป็นกายเราหรือใจที่ทุกอันนี้ก็ก็ต้องอาศัยสติเหมือนกันแต่พอสติเห็นแล้วก็ความจริงก็ปรากฏปัญญาก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นปัญญาละเมื่อเรารู้ว่าทุกมันเกิดขึ้นกับกายกับใจ รูปกับนามไม่ใช่เกิดกับเราไม่มีเราทุกข์มันมีแต่กายหรือใจรูปหรือนามที่ทุกข์อันนี้เป็นปัญญาและแต่ยังไม่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งถึงขั้นที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเป็นตัวทุกข์นะเพราะฉันจะเห็นได้ว่าเพียงแค่อริยสัจข้อแรกคือการรู้ทุกข์นี่มันไม่ใช่ว่าจะจะเข้าใจ กันได้ง่ายๆตอนเด็กๆหรือแม้โตแล้วก็ก็สงสัยว่าทำไมเราต้องรู้ทุกข์โดยก็รู้อยู่แล้วนะว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แต่ที่จริงส่วนใหญ่แม้แต่อริยสัจข้อแรกก็ยังไม่ผ่านคือยังไม่ได้รู้ทุกข์จริงๆสิ่งที่รู้นั้นเป็นแค่จําเอาแล้วก็ยังเป็นเป็นทุกข์ ที่ยังผิวเผินอยู่คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แต่ก็ยังรู้สึกว่าฉันเกิดฉันแก่ฉันเจ็บฉันตายยังมีตัวฉันที่ทุกข์อยู่ยังไม่เห็นว่าที่ทุกข์นั้นมันเป็นลูกกับนามตังหาที่ทุกข์ไม่ใช่ฉันทุกข์อันนี้ต้องอาศัยการปฏิบัตินะจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ถ้าปฏิบัติเพียงแค่ ให้สบายให้หายเครียดก็ไม่มีทางเกิดปัญญาได้แล้การเจริญสติแม้จะมาถูกทางแต่ว่าเจริญสติเพียงแค่ให้สบายให้มีสมาธิให้คลายเครียดอันนี้ก็ไม่มีทางที่จะรู้ทุกหรือผ่านอริยสัจข้อแรกได้อย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อสอนสามัญก่อนว่ารู้ แล้วก็ละอารมณ์ได้เนี่ยยังไม่พอต้องรู้แล้วจนเห็นและเข้าใจลักษณะของอารมณ์ด้วยคือเข้าใจไตรลักษณ์นะถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้ารู้อารมณ์แล้วก็ละใจก็สบายโปร่งเบายัางเป็นสมถะอยู่ยังไม่เกิดปัญญา การรู้นี่สำคัญนะอย่างที่บอกเวลาเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นก็พยายามปฏิเสธพยายามกดข่มมันอันนั้นไม่ใช่วิธีทางของพุทธศาสนาโดยเฉพาะถ้าเป็นแนวสติปัฏฐานนะกดข่มมันไม่ได้เพราะกดข่มแล้วมันไม่หาย อย่างที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยพอจะพอตั้งใจว่าจะไม่คิดถึงหมีตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเคยมีคนก็ทำทดลองทำนองนี้แต่ว่าละเอียดกว่า น, นี้นะเอาคนมาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยทุกทั้งหมดเลยเนี่ยเขาให้ ลองคิดดูว่ามีความคิดอะไรที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองบ้างเราเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนขี้งุนหงิดอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเราเองนะจดเอาไว้เสร็จแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยให้พยายามปฏิเสธหรือกดข่มความรู้สึกนั้นความคิดนั้นเอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็ปล่อยไปตามปกติ แต่ทั้งสองกลุ่มนี้จะให้ทำอย่างเดียวกันก็นกคือว่าทุกวันก็ให้ให้มาตอบคำถามว่ามีความคิดที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาบ่อยไหมในแต่ละวันแล้วก็เรารู้สึกอย่างไรในแต่ละวันอุหนุหงิดรุ่มร้อนกระวนกระวายหรือรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองหรือเปล่า พอให้เวลาทดลองเนี่ยทํานี่ยวันแล้วก็เอาผลมาดูปรากฏว่ากลุ่มที่เขาสั่งว่าให้พยายามปฏิเสธกดข่มความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเวลามันเกิดขึ้นมากลุ่มนี้เนี่ยจะตอบตรงกันหรือว่ามันจะมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเกิดขึ้นมาเยอะมากเยอะกว่ากลุ่มที่สองซึ่งไม่ได้ถูกสั่งให้กดข่มความคิด และกลุ่มนี้จะรู้สึกว้าวุ่นกระวนกระวายรู้สึกไม่ดีเกี่ยกับตัวเองด้วยคือไม่มีความสุขทาไมถึงไม่มีความสุขก็พอาไปกดค่มมันเอาไว้มันก็เลยโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆโผล่มาโผล่มาพอโผล่มาอยู่บ่อยๆมันก็จะรู้สึกไม่ชอบตัวเองมันก็เป็นการตอบย้ำว่าฉันไม่ดีอย่างนั้นฉันไม่ดีอย่างนี้อันนี้เขาก็ เท่ากับเป็นการยืนยันว่าอะไรที่ก็าตามที่เราพยายามปฏิเสธพยายามถักไสมันมันก็จะคอยรบกวนจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะการฝึกสติเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการจัดการกับความทุกข์ที่จะเรียกว่าเป็นสายกลางที่สุดแล้วก็จะได้ผล เพราะว่าเราไม่ได้ใช้วิธีกดข่มก็เพียงแต่รู้เฉยๆมันเกิดขึ้นมาก็รู้นะไม่ตามมันนะคือไม่ทําตามมันมันมันโกรธมันสั่งให้ด่าก็ก็ไม่ด่าแต่ก็ไม่กดขม่มรู้เฉยๆถ้าเพียงแค่การรู้ทุกเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรามีจิตใจเบาจากความทุกข์ไปได้ โดยที่ไม่ต้องไปพยายามละมันไม่ต้องพยายามปฏิเสธเพราะว่าทุกนี่ไม่ได้ไม่ได้หน้าหน้าที่ต่อความทุกข์ไม่ใช่การละนะการปฏิเสธการตัดตถ้าตัดนี่ต้องไปตัดที่สมุทไทยต้องไปละที่สมุทไทยไม่ใช่ไปละที่ตัวทุกข์แต่ว่าถ้าทาดีๆมันไปเองนะอย่างเช่นพอเรามีสติรู้ทุกข์เนี่ยทุกข์มันไปเอง เหมือนกับเราเราเปิดไฟฉายหรือเราเปิดไฟจากห้องที่เคยมืดพอเปิดไฟความมืดก็หายไปพอส่องไฟฉายความมืดมันก็หายไปมันไปเองเราไม่ได้ทำอะไรกับมันสิ่งที่เราทำก็คือเพียงแค่เปิดไฟนั่นทำนองเดียวกันเวลาเรา โกเราเครียดเราทุกขเราเศร้ามันก็มันก็จิตมืดพอเราเปิดโอกาสให้สติเข้ามาสติก็มาไล่ความมืดเองเราไม่ต้องทำอะไรเหมือนกับน้าเน่าเราไม่ต้องเสียเวลาวิทย์เราแค่ปล่อยน้าดีเข้ามาน้ำดีมันก็ไล่น้ำเสียไปเองไม่เหนื่อย ในการที่เราเจริญสติให้รู้หรือระลึกได้เนี่ยมันถึงมีประโยชน์มากคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจอะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็พยายามกดพยายามข่มพยายามปฏิเสธแต่มันก็เหมือนกระตุกกตาล้มลุกยิ่งผลักมันยิ่งโผล่ยิ่งผลักมันยิ่งเข้าหาผลักแรงเท่าไหร่มันก็เข้ามาหาเราแรงเท่านั้นกระตุกกตาล้มลุกนึกภาพออกไหม พอเราผลักมันเนี่ยมันก็ยิ่งสะท้อนกลับมาหาเรายิ่งผลักแรงเท่าไหร่มันก็สะท้อนกลับมาหาเราเร็วขึ้นความทุกข์ก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่รู้มันรู้เฉยเฉยรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะความคิดก็เหมือนกันความคิดที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องกดข่มมันเราก็เพียงแต่รู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยมันก็จะ เหมือนกับว่าหนีไปเองนะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมันการรู้ทุกเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่สำคัญเอาอริยสัจข้อแรกให้ให้ใ ห, ให้ให้ชัดเจนทำให้ได้คือรู้ทุกในทุกความหมายหรืออย่างน้อยก็สองสามความหมายที่พูดมาก็จะเกิดปัญญา เดี๋ยวชาเนี่ยตมา ก, ก็จะต้องอไปกรุงเทพมีงานก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์เลยก็คือว่าสวนโมกนะสวนโมกที่เคยตั้งอยู่ที่ชัยยาตอนนี้ก็เขาเรียกว่ามาเปิดสาขาที่กรุงเทพเรียกว่าสวนเรียกซันารนมาสวนโมกกรุงเทพนะ เขาตั้งเขาทำกันมาได้สองสามปีแล้วเริ่มทำตั้งแต่สมัยวันสมัยที่ครบรอบร้อยปีท่านาจากพุทธทาสก็พึ่งสร้างเสร็จแล้วก็จะเปิดนะวันนี้หนึ่งสิงหาจะเปิดสวนโมกกรุงเทพแต่ว่าจะไม่เหมือนสวนโมกที่ชัยยาทีเดียวนักเพราะว่าเนื้อที่มันจำกัดนะแต่ว่าก็จะมีโรงมหาสบททางวิญญาณจะมี สถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมมีมีหนังสือนังหานะหรือนิทรรสกานแสดงผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสเขาก็ตั้งใจทำเพราะว่าจะไม่ทำแต่เพียงแค่ให้มันมีตึกแล้วก็มีภาพแต่ว่ามีกิจกรรมสำหรับคนในเมืองนะเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสพยายามสื่อก็คือพุทธธรรมนั่นเอง มีเรื่องปฏิจจามีเรื่องปริศนาธรรมมีเรื่องนิพพานชิมลองอยากจะรูน้นิพพานชิมลองคืออะไรไปกรุงเทพก็หาโอกาสแวะเข้าใจว่าเขาจะเปิดทุกวันวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะเริ่มเปิดแบบไม่เป็นทางการเพราะถ้าเปิดทางการก็จะต้องอเชิญสมเด็จพระเทพนี่มาเปิดแต่ตอนนี้เราเปิดใช้งานได้ ก็จะมีกรรยนตมิตรของส่วนโมกมาร่วมงานด้วยอัตมาก็ก็ไปช่วยเขาก็ให้นิมนต์ให้ไปพูดนะเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะอยู่ประชุมอีกวันหนึ่งประชุมกรรมการปฏิรูนะถึงจะกลับมาได้พัรศาานี้ก็อาจจะมีะกิจทำนองนี้อยู่บ่อยๆก็จะอยู่ได้ไม่ไม่ต่อเนื่องแต่ว่าก็จะรีบไปรีบมา แล้วก็งั้นก็ประกาศให้ทราบแล้วก็ถ้าใครมีเวลาไปกรุงเทพก็ไปใช้ประโยชน์จากสวนโมกกรุงเทพนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วทั่วไปด้วยแมย้แต่คนที่อาจจะไม่ค่อยรู้จกักหรือคุ้นเคยกับวัตถศาสนาก็จะได้ประโยชน์จากกิจกรรมแล้วก็สถานที่นี้ด้วยอาล้วก็พูดกันเท่านี้